ตอนี้เวลาคนไปที่ไหนเนี่ยขนาดพวกนายพลทั้งหลายเลเนี่ยเวลากองไฟเวลานอนกองไฟเนี่ยให้หมาเ็าอยู่ตรงกลางนะถ้าไม่งั้นเสือกินเหมือนทันวานะมันจะมาร้อมๆอมอ ม, มองมอ ง, มองพอสมัยก่อนไม่มีไฟฉายพอมืดค่าแล้วก็มีแต่ไฟเท่านะั้นไฟกองไฟ น, ะนี่นะเสือมันจะร้อมๆอ ม, อ ม, ามาก็มากะตะโกดครบ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 โอ้ห oh. <c oughs> ลวงพออ่อว่าโอ้ยางดีมันยังตบทางเท้าใช่ไหมถ้ามันตบทางหน้าผากเพราะมันจะเล็บมาแต่ปบใส่ตาเนี่ยตาบอดแน่ๆเนะอออันนี้มันตบทางเท้าเน่ยมึงตบ ป, ป๊บขึ้นมาแบบจะดุ้งขึ้นมาแบบเสือมันก็เลยเพ่นนลย <c oughs> มันไม่ใช่หมาฮช <c oughs> แต่แต่แล็บมันก็ตบดูซะก่อนเพราะว่า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 ก็บอกว่าเนี่ยอยู่ทางกลางวัดเนี่ยหมีมันยังมาทํารังะมาออกมาออกลูกอยู่ที่กลางวัด <c oughs> สมัยนั้นะ ย, ยังมียังมีหมูป่าไม่ต้องพูดถึงแล้วหมูป่าอแต่เก้งไม่ต้องพูดถึงมีแต่กวางเลิมหมดแต่ก็ได้ได้ยินอยู่ทูกขาเพราะว่ากวางนะมีอยู่ได้หลวงพอ่อแต่ไม่ค่อยเข้ามาแล้วอห่างห่างแต่วันนี้ มันมาเคยมากินต้นมักต้องนี่แหละพวกกวางนี่แหละอันนี้ก็คือที่มาอยู่วัดหลวงพ่อจึงบอกให้พระลูกพระหลานาาศรัทธาญาติโยมอที่หลวงพ่อมาอยู่ใหม่ๆไม่ใช่มาอยู่ด้วยความหลู่นหลาโอ้อาฮเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ลืมตัวเพราะหลวงปู่ลาศสอนเ อ, อสมัยคอน้ําอะ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 ที่เป็นยัดนุ่นก็ยังไม่มีคุณมีคุณแม่ชีแก้วนะ่ไปหาฟางมาแล้วก็เอาผ้าดิบผ้าได้ดิบมาเย็บเจแล้วเอาฟางยัดนะยัดเข้าไปให้คุบให้กูบาได้นอนหนุนหัวนะ่ขนาดนั้นละ่ะสมัยมาสร้างวัดป่าบ้านตาดใหม่คุณแม่ชีแก้วพูดให้ฟัง่นะแล้วก็เนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นคนทําอาหารถวายพระ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 ก่อสร้างศาลาที่ดินกกขึ้นเลเพราะว่ามีศาลาขึ้นมาแล้วเผลอๆเกิดคน น, นัขยับเข้ามาคนนี้ขยับเข้ามาพลทีออ่สุดได้แต่ศาลาที่ดินชอบ้านเบียดบังเข้ามาขยับเข้ามาไม่ได้เราต้องกั้นที่ดินไว้ก่อนหลวงพ่อก็ทำล้วนรวดน้านะทำล้วนลวดน้ดดน อ, อขยับไม่รู้กี่ครั้งเหมือนกันเป็นที่พอใจแลยจ้ะพอเสร็จล้วนว ด, ว ด, วดน้า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 ออพอเขาถวายปัจจัยมาเด่เฮ้เราไม่เคยได้เงินล้านนะนั่นแหละได้เงินล้านเป็นครั้งแรกนะลูกหลานนะเอพราะว่าคุณหมอกับคณะญาติของท่านนะเคุณหมอที่ไปอยู่กับคุณแม่ชีแก้วนะท่านว่าท่านเห็นว่าจะมาสร้างวัดทีนี้ท่านก็ท่านอาจารย์จะมาสร้างวัด เ, เดี๋ยวรวบรวมปัจจัยถวาย เ, เขาก็ออกแบบแปลนมาว่า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 ถือว่าหลวงตาเนี่ยเป็นพ่อใช่ต้องปรึกษาพ่อซะก่อนเขาไปกราบท่านข อ, อการพ่อแม่กุญจาร์เขาถวายปัจจัยที่ว่าเขาจะสร้างสะพานข้ามห้วยนั่นนะครับผมนี่ถวายมาล้านประมาณล้านหนึ่งแสนขึ้นล้านสองเนี่ยหนงะพอจะไม่ชัดนะแล้วปัจจัยเช็คกันนี้น่ยจะทํำยังไงดีน้องกระผมกระผมจะมอบให้พ่อแม่กุญจาร์แล้วกระผมจะมาเบิอกเอา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 เราไม่ได้บวชมาเพื่อหวังเงินหวังทองเนะเราไม่ได้มุ่งหวังโลบโหโมกะนะเนี่ยได้มาโดยเป็นธรรมเราก็ใช้โดยเป็นธรรมถ้าไม่ไม่มีใครไม่มีศรัทธาแล้วจะามาถวายทำไมอย่าเอามาถวายนระาไปเทินไม่ต้องการจากคนที่ไม่มีศรัทธานนะถ้าคนมีศรัทธาแล้วก็เออมองเลยแล้วเออครูบาอาจารย์เนี่ยจะใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่มีมลทินไม่มีโทษเออก็อยู่ด้วยกันมานานนะ จากนั้นเรากนะ็ใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องคิดให้ดีซะก่อนก่อนที่จะใช้จตุปัจจัยเพราะผู้ปัจจุปัจจัยที่ได้มานะเขาจบแล้วจบอีกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกก่อนที่จะมาถวายพระนะนี่แหละหลวงตาท่านก็ให้คําแนะนําหลวงพ่อนะจากนั้นหลวงตาก็มาบ่อยๆมาบ่อยบ่อยมากนะจากนั้นท่านก็มาเห็น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 มันไม่อยู่วัดใช่ไเนี่ยมันทําไม่บ่ฮะบอกทําอินน้วยนะไปบอกไปหาเรามันทําไม่มันทําไมไม่อยู่วัดบ่มาเป็นครั้งที่สองที่สามตอนนี้นะแต่เราก็บังเอิญทุกครั้งเหมือนกันที่หลงตา ม, มาเลยเราก็ไม่อยู่แต่ตามจริงเราก็อยู่ทุกวันทุกวั น, นแต่วันหลงตา ม, มาปัดเราปัดไม่อยู่เนี่ยเอ้ยคิดว่าเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกไปเท่าไหร่นะเออแต่ว่าหลงตามาเนี่ย ไม่เจอเราเราได้ยินคำสั่งอย่างนั้นเราก็รีบปีเข้าไปเลยล่ะโอ้โหเหมือนเรื่องอะไรเนาะที่นี่นเหมือนกับหมามันกลัวเสืออยู่แล้วใช่ไหมคอหมอบขานเข้าไปพอเข้าไปถึงเนี่ยทอินเนี่ยเราไปหาวที่วัดสองสามครั้งแล้วนะท่านเนี่ยเป็นนักธุรกิจทุรการไปแล้วนั่นเนี่ย ม, มันเป็นยังไงมันออกไปนอกวัดบ่อยเกินไปแล้วนี่นะเข้าใจไหม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 จะเอาไหมเราก็ยกมือทั่วหัวคับผมเอถ้าพ่อแม่ครูว่าถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ทําแล้วก็รับกับผมออืเราก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันน่ะทําอินเนี่ยเรื่องก่อสร้างนี่ยถ้าบอกให้อะไรมันกระโดดทันทีนะหล ว, ว, ว, วงตาท่านท่านยังพูดอย่างนั้นอีกกว่าเงี้ยนะไอ้ครับเรื่องการก่อสร้างในทําอินเนี่ยออ พ่อปลอยพ่อเปิดประตูให้เท่านั้นแหละวิ่งพลูดออกดึงหางไว้ก็ไม่ทันลักษณะอย่างนั้นอนหะลดวงตาท่านพูดท่านก็พูดแบบยิ้มยิ้มนะจากน้ำมาเราก็เนะี่หาผู้ออกแบบท่านดเรเยี่ยมชายฉัดแก้วที่เป็นในช่างรถไฟนะเป็นดรนะจบจากเยอรมันท่านให้ท่านออกแบบคำนวณเรื่องวิศวะนะ จึงออกแบบกำแพงของเราเนี่ยโอ้เข้มแข็งแข็งแรงมากนะผลที่สุดพอได้ออกมาเดีวคิดเป็นเงินออกมาเดี๋นี่เกือบยี่สิบล้านโธ่ตายเราจะทำยังไงวะเงินมันไม่ใช่ถูกแน่นอนเราก็ไม่เคยเห็นเงินล้านอีกต่างหากเห็นแต่ล้านแต่กำสะพานมนะันเ ง, เงิน20สล้านกำแพงเอาอย่างไงกันวะ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 พ่อแม่คุญจาจะให้ทำทีเดียวหรือว่าจะให้ทำเป็นช่วงๆกรบผมท่านก็เ น, น่ง เ, เขาจะทำกี่ปีล่ะประมาณสามปีกรบผมมันยาวหมดทั้งหมดมันหกกิโลกับเจ็ดร้อยกว่าเมตรกรบผมสามปีล่ะก็ผมยี่สิบล้านใช่ไหมใช่ครับผมมึเอาเอาเลยทำ เ, เลย ทำให้นั่นเอาเลยไม่ต้องไม่ต้องช้าแนละ้ทำให้เร็วไปเลยเท่าที่มันจะเร็วได้แต่ทำให้ดีนะทำให้ดีให้แข็งแรงครับผมเราก็ออกมาโอ้แสดงว่าหลวงตามีเงินอยู่แล้ววะเออล้วก็น่ละจ้างมาจ้างบริษัทก็ลงมือเลย่นะี่พอเสร็จแต่ละสองร้อยเมตรทีไรกันเะนี่ยนะพออสุจิตเนี่ยนะนั่งอยู่ต่อหน้าเนะี่ยมาตรวจงานด้วยกันกันะะ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 มันจะต้องได้ใส่เสาเข็มอะไรเข้าไป เ, เราก็บอกว่าจุดนี้จะต้องได้เพิ่มเงินเท่า น, นั้นเท่า น, นั้นเท่า น, นั้นเราชี้แจงให้ท่านฟังละเอียดเลยจะตุปั จ, ป จ, จัยที่เราเบิกมาแต่ละครั้งเนี่ยอันนี้ก็คือเราทำก็องหลวงตาเพราะนั้นท่านโค้งสุดท้ายได้เห็นไหมท่านยังให้พินายกรรมหลว ง, งพ่ออีกนะ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 เมื่อจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยวัดของเรากลุ่มของเราเนี่ยรับที่จะถวายองหลวงตาเนี่ยาสล้านบาทแต่หลวงพ่อคิดว่าคำพูดของหลวงพ่อเนี่ยคงจะไม่ฟุ้งเฟอ้อเวอร์เกินไปเพราะอะไรเพราะหลวงตามาช่วยวัดเราเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังลูกหลานก็คงจะมองเห็นได้ว่าหลวงตาที่ท่านเมตตา ให้พวกเราได้รับความสะดวกสบายในรับความร่วมเย็นเป็นสุขทางด้านวัตถุเนี่ยมากทีเดียวนะพวกเราจะคืนให้ท่านนิดๆหน่อยๆเพียงแค่นี้นะหลวงพ่อว่าไม่น่าจะหนักหนานะเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเนยพูดแนวความคิด เ, เรือว่าหลวงตาแนะนำบอกกล่าวหลวงพ่ออย่างไรหลวงพ่อยังบอกกับพวกลูกหลานคณะัทหาญาิโยมอยู่เสมอว่า